เย็นเนี่จะพูดถึงเคลียอารมณ์ปฏิบัติที่เราทํามาทว้งวันว่าเรากําลังปฏิบัติอยู่จุดไหนของเรื่องนั้นนะถ้าเราไม่ไม่ทําอย่างนั้นเราก็จะไม่เข้าใจถึงบนการและวิธีทําการเจริญสติแบบนี้ว่าเราไปถึงไหนอย่างไรเดินอย่างไรต่อไปซึ่งเมื่อวานเราพูดถึงดึงว่าการที่เรา เป็นผู้รู้เนี่ยเรารู้อะไรแล้วสิ่งไหนที่ถูกรู้นะและสิ่งที่ถูกรู้นี่คืออะไรบ้างอนึกภาพออกเห็นไหมตอนนี้นะแล้วผู้รู้มาจากไหนนะใครเป็นผู้รู้ตัวรู้เนี่ยที่เราทำเนี่ยที่เราทำเนี่ยที่เราสั่งสมจากการที่เรนนีทีนีน้นเนี่ยสร้างตัวผู้รู้นี้ขึ้นมาหรือกวตัวพุท ธ, ธะนะเพราะฉะนั้นในการที่จะพิจะเป็นเรามีผู้รู้คอยกำกับอยู่ใช่ไหมนี่คือตัวสติ สิ่งที่ถือรู้ก็คืออาการต่างๆในร่างกายของเราใช่ไหมเย็นร้อนอ่ อ, อนแข็งแข็งตึงแต่การเคลื่อนไหวภาพตาปากหายใจเรียวไส้ไหลค อ, อกุ้มเหนื่อยอะไรนี่เป็นสิ่งที่ถูกรู้คนไหนรู้สิ่งนี้ได้มากขึ้นสมาธิก็เข้มแข็งได้ไวคนไหนรู้สิ่งนี้ได้น้อยสมาธิสติสมาธิก็อ่อนเพราะตัวผู้รู้คือตัวสตินี่ไม่เข้มแข็งเราก็จะต้อง อาศัยการและลึกรู้เพิ่มขึ้นบ่อยๆที่เราสรุปได้เมื่อวานน่ะ น, นะช่งชวงเช้านี้เราจะพูดถึงเรื่องที่เราสวดเมื่อกี้คือสติปัฏฐานสูตรที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยอันนั้นคือเป็นแหล่งความรู้ทึ้เมื่อวานเราพูดถึงว่าที่มาของตัวรู้สิบประการใช่ไหมจำได้อยู่ใช่ไหมลืมตัวเตอะแต่อะไรลืมไปแล้ว นี่กระดาษผูฟังเมื่อวานเมื่อวานเย็นอยู่อยู่ใช่ไหมเมื่อวานฟังอยู่ใช่ตอนเย็นอยู่หรือเปล่าเดนเย็นอยู่ป่าเมื่อวานเอาไม่ช่วงเย็นน่ะก็อยู่ก็อยู่ด้วยกันหมดอกาดาสาถาสายเอาไม่ไม่ใช่สวดในช่วงที่พูดให้ฟังตอนเย็นน่ะแสดงว่าแสดงว่ารืไปเรียบร้อยแล้วนี่นี่ มาอายุมากเป็นอย่างนี้นะยุบ ฟ, <c oughs> ฟังไม่ทัน <c oughs> ก็เริ่มต้นจากการได้พบผู้รู้ผู้มีประสบการณ์เรียกว่ากรารยนานมิตรอ่าแล้วก็ไปเรื่อยๆไปจนถึงถึงวิชาที่ตัวรู้ทีนี้ช่วงเช้านี้เราจะพูดถึงว่าลำดับที่ตัวรู้ที่พระพุทธเจ้าพูดถึงเนี่ยถ้าหากว่าเรารู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยอันนี้สงวนเป็นอย่างไร ที่เราเลื่มสวดเมื่อกี้นะเอกายณุมโคสัตตานังวิสุทธยานะว่าทางนี้เป็นหนทางเพียงทางเดียวแต่อันนี้เขาแปลแล้วสวดไม่เพราะว่าไม่เหมือนสวับที่หลวงพ่อแปลแล้วมันจะสวดได้อันนี้เขามาดัดแปลงใหม่ว่าหนทางเพียงทางเดีย ว, วยทั้งอื่นไม่มีที่จะไปจัดการกับไอตัวที่ <c oughs> ความทุกข์ น, นะอะไรนะตัวมาเอกายณุมโคสตานังวิสุทธิยาหนึ่งเพื่อความบริสุทธิ์สะอาดของกายของใจ แล้วก็บอกว่าโศกะประิเทวานังสมติกามิยะเพื่อความก้าวข้ามเสือซึ่งความสุขเศร้าพิไรธรรมผันความระทมโทมทุกข์กกกกกหลายข้ามข้ามได้แต่เมื่อก่อนเราก้าวข้าก้าวข้ามมันไม่ได้ใช่ไหม อ, อันที่สองอันที่สองคือก้าวข้ามเสือความไม่สบายใจทั้งหลายเนะนี่ยนะแล้วก็ทุกข์กั ท, ทความสุกเศร้าพิไรมันทุกข์กทโมนัสสานังอัตถังคามยะเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งความไม่สบายกายไม่สบายใจ ความทุกข์และโทมานัตความไม่สบายสศกเศร้าพิเรณพัน์ให้ก้าวข้ามเมื่อก้าวข้ามได้แล้วเนี่ยถ้าจะเดินสติต่อไปเนี่ยทุกข์กะโทมานัตสานังอัตถังขมิยะความไม่สบายกายไม่สบายใจทุกแป้าความไม่สบายกายโทโทมนัตเป้าความไม่สบายใจทุกความไม่สบายกายนะโทมนัตเป้าความไม่สบายใจตั้งอยู่ไม่ได้เพราะอะไรจะตั้งอยู่ไม่ได้เเรานั่งร่างน้ำมันตึงอยู่นี่ทําไมตั้งอยู่ไม่ได้แต่พอเราขยับมันตั้งอยู่ได้ไหม นี่คือตั้งอยู่ไม่ได้เพราะเรามีสติแล้วขยับแต่คนไม่มีสติไปไงก็นั่งแช่อย่างนั้นโปวดหลังโปวดเอวเนบชากินแขนขาก็มันก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเพราะเราขาดอะไรขาดส ต, ตดดิไม่ไม่ต้องไม่อดทนเพาะกายเขามันไม่ต้องอด เ, อเพราะมันเป็นธรรมชาติไปอย่างนั้นแต่เราต้องมีสติในการเอาออกเอาออกคื อ, อ, อขยับพอขยับปั๊บมันก็หลุดไปแล้วใช่ไหมคือไม่ตั้งอยู่ไม่ได้อย่างนี้แต่บางคนไม่ได้ฝึกสติเมา่ก่อน ไม่สบายทั้งกายนี่นะเอาออกไม่ได้เพราะอะไรเพราะจิตไม่ได้อยู่ตรงนี้สติไม่ได้อยู่ตรงนี้ผู้รู้จึงไม่เกิดจิตส่งไปไหนไมันจะร่างกายนี้จะแย่อยู่แล้วเหมืนอนเราอยู่หน้าเตาปรุงอาหารได้ไหมหรือพออยืนกับที่นานๆเกร็งหมดทั้งตัวเลยรู้สึกตัวไหมไม่รู้เพราะว่าสติยังไม่เข้มแข็งแต่ถ้าคนรู้สึกตัวก็จะขยับปรับเปลี่ยนดูกายแต่มือก็ทําอะไรก็ทําไป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 เพราะว่าเสียวเล็กๆมันถูกบีบมันเกร็งใช่ไหมเกร็งเลยอานานๆอย่างสมมติว่าเราทํางานแรงนานๆก็เกร็งแต่ถ้าหาว่าคนนั้นรู้สึกตัวก็จะผ่อนคลายดีแลกแค่ทำแล้วก็ทําไปไม่จําเป็นต้องเกร็งกุดึงอยู่กับที่นะก็เคลื่อนไหวไปอันนี้คือประโยชน์ของการเคลื่อนไหวสามารถผ่อนคลายสามารถดีแลกเอาตัวเทนส์ตัวซีเรียสนี่ออกไปพราะเราทกวันนี้เรายอมรับแล้วว่าเชื่อมะเลงส่วนหนึ่งเกิดจากความเครียดใช่ไห ม, ม ค, ความเครียดเกิดจากอะไร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 เียพวนี้ออกร่างกายเราไม่เกร็งไม่เครียดไม่ตึงใช่ไหมเพราะเรารู้ตัวก่อนเนี่เราเคยอย่าเปลี่ยนเรื่อยๆก็ทําให้ร่างกายของเราผ่อนคลายเยวก็ไม่ได้ตายเยอะมันตายอะแต่มันตายไม่เยอะมันก็ขับถ่ายออกทัทนทางพิจาประสาวะ์ลมหายใจเหงือ่ออะไรพวกนี้ก็ขับถ่ายออกไปอันนี้ความสบายกายความสบายใจเกาเกิดขึ้นเรียกว่าทุกขโทมนัสสารังอัดถังขงมยะความทุกข กายถุกใจตั้งอยู่ไม่ได้เพราะสติเข้าไปช่วยอันที่สี่เรียว่ายาแยสสะอธิคมายะเพื่อบรุธรรมที่เราควรจะบรรลุเขาควรจะถึงบรรลุยยธรรมนะธรรมที่ราคนจะรู้คนจะถึงคืออะไรพะเรารู้ไปเห็นกายเห็นใจเพิ่มากเขามาเห็นอะไรเห็นการเปลี่ยนแปลงของกายของใจกายใจเปลี่ยนแปลงตามกฎของอนิจจัง ทุขังอนัตตาใช่ไหมร่างกายนี้รูปทั้งหลายเปลี่ยนแปลงตามปวดของ<ช>อนี้จังทุกของอังอนั Samsung, ตตากดห้องมาเลยเมื่อเราขาดตัวรู้เข้าไปรู้ความเปลี่ยนแปลงของนิจังทุขังอนัตตาของรูปเราก็าไปสําคัญว่ารูปนี้เป็นตัวเราเราก็าไม่เห็นอนิจังใช่ไหมเราก็าไปคิดว่านั่นคือเราความรู้สึกนี่คือเราความปวดนี่คือเราความสบายนี่คือเราความง่วงนี่คือเราเราก็จะงงแช่อยู่ในงงใช่ไหม ในวันเพราะเราไม่เห <iri> น็น <Means S 2> <esh it? S 1> ความง่วงพความง่วงก็เป็นกฎของอันนี้แางทุกข์ขังน้าตาความง่วงเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเราไม่กระตุ้นสติเข้าไปทํางานมันก็จะเกิดกันอ่านิ่งเพราะเราขาดอะไรกําลังสติเราไม่พอกําลังสติไม่พอเพระเราไม่อเลิศไม่อเวกเราพยายามแช่อยู่ในอารมณ์นั้นนั้นเห็นไหมเห็นสายโซ่ของของความทุกข์เห็นไหม มันเวิร์กมากเลยแต่ทําไมเราไม่เพรามศรัทธาเราไม่เข้มแข็งพอที่จะไปรู้มันไงเราก็อิกนออิกนอก็หมายความว่าละเลยเพิกเฉยไม่สนใจแล้ว ก, กลายเป็นอิกนอลนแปลว่าอะไรอวิชชาความไม่รู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นนะเสียแล้วข้อสุดท้ายท่านใช้คาว่านิพานสสัจจิกิริยายะเพื่อทําพระนิพพานให้แจ้ง นี่อันที่สงของเจริญสติมี5อย่างนะหนึ่งทำให้จิตของเราบริสุทธิ์2ทํทำให้ก้าวข้ามความโศกเศร้าพิไรลำพันธามทำให้สุขเอ่อความไม่สบายกาย ส, สบายใจตั้งอยู่ไม่ได้ 4. ทํทำให้บรรลุธรรมาำลาดับทําทำให้เข้าถึงตัวนิพพานคือจิตมันเย็นกายมันเย็น พูดถึงเรื่องเย็นที่สัมผัสได้ครั้งหนึ่งสมัยที่เามาตอนเป็นผ้าหนุ่มๆที่สแสวงหายอยู่เนี่ยเอามาไปวัฏวัตน์ตัดผ้าตอนนั้นหลวงพ่อคูบาผมมาจากยังไม่มรณะนะผ้าท่านอบรมปริวัติเป็นผ้าเป็นพันๆนะวันสุดท้ายเนี่ยท่านเ็ยจะไปให้อววาดก่อนที่จะปิดปริวัติในช่วงนั้นแต่มาไปเยี่ยมพอดีทีนี้พอมาท่านกําลังเดินเข้าบสถอามาก็จะเข้าไปท่านจับมือเอามาเย็นวาบเลยว่าทั้งตัวเลย เย็นมากๆเลยอ้มันเย็นเข้าไปถึงใจเลยนะเพระครูบาปมิจจัตเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ดังมากของภาคเหนือใช่ไหมที่จังหวัดลาพูนน่ะวัตรบัตรตักผ้านั้นนั้นไอความเย็นเนี่ยหมายความว่าท่านไม่มีความร้อนอยู่ในตัวเลยเพราะอะไรความเทนส์ความเครียดความเสีเรียความตึงไม่มีเป็นความผ่อนคลายตลอดเวลาจะเย็นนั่นคือนิพพานเพราะเย็นเย็นทั้งกายทั้งใจนิพพานนาสัชชิกิริยะ หาห้าประการแต่พู้นี้ไปถามใหม่นี่จำไม่ได้แล้วนะห้าประการคืออะไรอันนี้อันนี้คือความเสียเปรียบที่มาเช้าไปแต่ว่าเราก็ขยันบ่อยๆหน่อยขยันทำบ่อยๆก็จะฟื้นขึ้นนะเอาละอันนี้คืออันที่สองห้าประการ น, นะหนึ่งทาให้เรากายใจเราสะอาดบริสุทธิ์สองทาให้ก้าวข้ามเสียซึ่งความ สุขเศร้าพิไรลำพันธ์ความลำพันธ์อย่างงุนอย่า ง, งานี้ไข่ควรคําควรเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่มีสความไม่สบายกายไม่สบายใจตั้งอยู่ไม่ได้สทําให้เข้าถึงธรรมตามลำดับเออวันนี้เหน็นนี่จังทุกข์ขันธ์น า, าดวพรุ่งนี้อาจจะเห็นอะไรความโรคหลงบุลือนีอาจจะเห็นขันห้าวันต่อไปอาจจะเห็นดันหาวประธานวันต่อไปอ จ, จะเห็นการเกิดดับวันต่อไปอ จ, จะเห็นปรมัตา์ไปตามลําดับยาเยสสั น, นี่เมื่อไรก็แช่อยู่ในเรื่องรูปนามน้ํารูปอยู่นี่ทั้งปีก็เขรียกว่าการปฏิบัติเราไม่ไปไหนอ่าไม่ไปไหนเพราะว่าเราไม่เกิดศรัทธาแล้วเราไม่เกิดปัญญาด้วยว่าเมื่วานนะใช่บางคนมีศรัทธาแต่ไม่มีปัญญ า, ญญาบางคนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาแต่ถ้ามีทั้งสองอย่างไปไงมันจะไปปุ๊บๆๆเลยแต่ถ้าหากมันช้าโยนสวัสดิ์ขาดอะไรสองอย่างนี่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 นะเราจะรู้ว่าคนนี้ศรัทธามากศรัทธาน้อยอยู่ดู ด, ด, ดูดูที่ไหนดูที่ความเพียรเราจะรู้ว่าคนนี้มีปัญญามากปัญญาน้อยดูที่ไหนดูการมีสติมีสมาธิดีใช่ไหเพอศรัทธาและปัญญานั้นเป็นผลวิริยะเป็นเหตุของศรัทธาสติสมาธิเป็นเหตุของปัญญาเนี่้เข้าใจอย่างนี้ เมื่อรู้ขบวนการไปอย่นี้ปั๊บเราก็รู้ว่าอ๋อเราขาดตรงไหนเกินตรงไหนใช่ไหมล้วก็เติมลงไปยมอุ้ยขาดอะไรที่ขาดทั้งหมดเลยขาดทั้งหมดอย่างมันนิดๆหน่อยๆอย่างนิดๆ<า>หน่อยผสมภาษาทอย่างนิดหน่อยะเอาละที่นี่มาดูตัวบทอามาดูตัวบทที่เราสวดไปกาเยกายานุปัสีวิหาราติอาตาปีสติมาสัมปชานุวินายโลเกอวิชาโทมนาสัง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 เอาไฟมีเย็นด้วยเหรอร้อนน้อยน้อยเออร้อนน้อยนเรียกว่าเย็นเไม่น้อยก็มันก็ร้อนมากมันก็ร้อนนะแต่มีสองอย่างคือร้อนและสว่างร้อนและแสงสว่างคุณสมบัติของไฟอ๋อนี่เห็นอยู่ท่านนี่เห็นมันมันสว่างเกินไปลงมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของไฟมีสองอย่างคือร้อนและสว่างคุณสมบัติของ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 ก็ต้องไปเผาแดงเลยใช่ไหมเพื่ อ, อไปตีอะไรออกสนิมมันออ ก, มมออกถึงจะเอาไปตีได้จิตของเราเหมือนกันถ้าหากว่าจะให้ความรู้สึกที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยต้องเผาเผามันออก <c oughs> แล้วเอาไปตีเอาไปตีคือไปฝึกใหม่ให้มันแหลมมันคมให้มันไม่มีสนิม อ, อันนี้คือตัวใช้ตัวปัญญานะเอาละกายเยกายานุปัสสีวิหัติมีสติสัมปยาพิจารณาเห็นกายในกายอะไรในกายบ้ง อันนี้กายนอก น, นัมนไม่ต้องดูมันก็ได้กายในฐ า, านะ น, นี้รู้สึกไงบ้างในตัวบางคนจะปวดหนักบางคนจะปวดเบาบางคนจะเน็บบางคนจะหนักส่วนนั้นส่วนนี้ของร่างกายนี่อันนี้คือเรียกความรู้สึกในกายแต่กายหรือรูปเฉยเนี่ยถ้าไม่มีความรู้สึกเขาเรียกอะไรไไเขาเรียกว่าศพ บ, บ้างคนนอนหลับบ้างคนสลบบ้างคนอามาพึกอามาพาดบ้างผิดปกติ ่แต่ขณะเราปกติเงี้ยมันจะต้องมีความรู้สึกใช่เย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงเจ็บปวดในส่วนของร่างกายดูตัวนั้นทีนี้อันที่สองวเวทนายาเวทนานุปสิวิหารติอาตาปีสติมาสัมปชานวินัยยโลเกอภิชาโทมนาสั่งเอันทั้งหลังว่าอภิชาโทมนาอาตาปีสติมาสัมปสัมปชานสติมาวินัยยโลเกอภิชาโทมนาสั่งตัวนี้สาคัญ วินัยยะโลเกอภิชาโทมานัสังเพื่อนําเอาซึ่งความอภิชาและโทมนัสออกอภิชาคือความพอใจโทมนัสแปลว่าความไม่พอใจเพื่อจะเอาสองอย่างนี้ออกแต่เม่อกี้คำว่าทุกขโทมนัสคือความไม่สบายกายไม่สบายใจใช่ไหมแต่อภิชาโทมนัสหมายถึงความพอใจและความไม่พอใจวันๆหนึ่งเราจะมีแค่สองอารมณ์นี้เออะ เ, เดี๋ยวก็พอใจเออเดี๋ยวก็ไม่พอใจถ้าถูกดุ ก็ไม่พอใจถ้าถูกชมก็พอใจถ้ากินอาหารอร่อยก็พอใจโอ้อันนี้อาหารไม่ได้เรื่องเลยก็ไม่พอใจก็สลับกันอยู่แค่นี้มืดสว่างสว่างมื ด, มดสว่างสว่างมืดแต่ถ้าเรามีสติแล้วเราจะจิตของเราจะไม่ตกไปสองอารมณ์นี้เราจะเป็นผู้อะไรผู้ดูแต่ความจริงมันมีสามนะเวทนาที่ว่าสามหนึ่งความรู้สึกสบายทําให้เราพอใจ สความรู้สึกไม่สบายทําให้เราไม่พอใจสามบางครั้งเฉยเฉยขณะนี้เราก็ไม่มีความรู้สึกดีหรือไม่ดีนะเฉยเฉยเพราะนั้นไอตัวที่สา ม, สามน a, ามี่เป็นปัญหาเฉยเฉยแบบไหนเฉยเฉยแบบมีสต awesome. ิหร no ือเฉยเฉแบบขาดสติถ้าเฉยเฉยแบบขาดสติเรียกว่าโมหะหรืออวิชาถ้าเฉยเฉยแบบมีสติเรียกว่าปัญญาหรืออุเปเฆา ตัวเดียวกันนะ่ะแต่ว่ามันตัวแปลกสําคัญคืออะไรมีสติหรือขาดสติตัวที่สามเนี่ยถ้าเรามีสติมันกลายเป็นเปีกขาแล้วเป็นปัญญาเวทนาที่เฉยเฉยนี่นะแต่ถ้าขาดสติมันกลายเป็น ใ, ในวันเป็นอะไรถ้าขาดสติเป็นอะไรเฉยเฉยเฉยไม่ได้เฉยก็จะหลับท่าเดียวใช่ไหมนี่ขาดอะไรไขาดสติเราจะทํำไงให้มันมีสติ เฉยเนี่ยถ้าขาดสติปัจจัยกายเป็นโมหะและจะง่วงอวิชชาเข้าถีนัมิทะเข้าทันทีเลยใช่ไหมสังเกตไหมนี่คือสาธมหาศึกษาตรงนี้จะไปศึกษาอ่านฟังไม่เลียเรื่องได้ศึกษาจากของจริงที่เกิดใช่ไหมนี่เขาเรียกว่าเพราะฉะนั้นความรู้สึกหลักๆมันมีสามคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอาทุ ก, ก, ทกข์มาสุขเวทนาความรู้สึกพอใจไม่พอใจแล้วก็เฉยๆแต่ทั้งสามตัวเนี่ยมีความสบาย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 แต่พอมีสติเข้าไปกำหนดรู้โทุศาก็กลายเป็นทุกทุลมนัตตุนี้ก็กลายเป็นปัญญาอีกและบางครั้งเราพอใจก็ ม, มีไม่พอใจก็มีสติเข้าไปตามรู้กลายเป็นปัญญาคืออุเบขาเป็นตัวปัญญาถ้าไม่สติไม่ตามรู้กลายเป็นโมหะเป็นตัวอวิชาเพราะฉะนั้นมันมีสามสุขเวทนาทุกเวทนาทุกขมสุขเวทน า, ทน า, ทนาในส่วนข้างในโอ้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 มันจะเละซะก็ต้องอาศัยเปลือกบนหุ้มไว้เพอเปลือกบนหุ้มไว้จะเก็บไว้กี่วันก็ก็ได้ใช่ไหมพอออกจากเปลือกแล้วแค่ไม่ถึงวันเนเจ็งและเหมือนกันคําสอนของพุทธเจ้าท่านจะเอาเนื้อหาสาระมาสอนเลยไม่ได้ท่านก็นจะต้องห่อหุ้มเปลือกคือปริยัติเอาไว้เป็นพระไตรปิฎกนะอันนี้คือเปลือกนะถ้าเราไม่ไปแตะต้องมันไอ้เนื้อกูอยู่ในเราก็ไม่ได้กินแต่ถ้าเรามาเปิดอ่านอ้ออาตาปีสาปิยาสัมปชัญวินยัยหมายความว่าอย่างไรแล้วใครที่จะไปนคนแกะเปลือกอาให้กิน ไม่ใครเป็นผู้แก่ผู้ปลอกไม่ให้กินก็ต้อลองทำเองค่ะเราเคยบ้างไหมเคยไปจับพระตบเพราะฉะนั้นต่ออาศัยใครกันยานมิตรอไม่พ้นครูบาอาจารย์อยู่ดีนี่นี่เรียกว่ากันยานมิตรที่จะปอกเปลือกทุเรียนออกแล้วเอาเนื้อทุเรียนให้เรากินแต่บางคนไม่สนใจที่จะปอกไม่ไม่สนใจที่จะกินเป็นไงก็รู้ปล่อยให้มันตายไปปล่อยให้มันทุกไปก็สมน้ำหน้ามันใช่ไหมเพราะนไม่สนใจ เพราะเราจะเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องวิเศษมากในผู้ศาสนาแต่ทำไมเราจึงไม่สนใจแล้วก็ประเทศไทยเรานักถือผู้ศาสนามาหลายร้อยปีใช่เราก็ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์น้อยๆนะเขาว่าเท่าไหร่ 90% น่าเศร้าไหม 90% แต่จริงๆแล้วเหลือไม่ถึง 10% อันนี้คือความน่าเศร้าของประเทศไทยแล้วก็ซื้อพระไตรปิก ว่าจะซื้อกันจังแต่ถามว่าคนทั้งผู้ซื้อและผู้รับซื้อนี่เคยอ่านบ้างหรือเปล่าใช่นี่คือเรื่องน่าเศร้าเพราะฉะนั้นเองเอามาถึงอยู่ไม่ได้ไงต้องตลอดตลอดไปบอกเนี้ยพี่บ้านแรกๆสามียงเขาถามว่าเธอเป็นพูดแท้หรือพูดเขาถามโยมอย่างนี้นะฮะก็เลยถามยงก็ถามว่าแล้วเธอเข้าใจพูดเทียมเพราะเพราะคนนี้น่าถือพูดจริงๆบางคนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ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 ทำให้ตรงนั้นหนักเราก็ต้องเอาอะไรมาดับ น, น้ำมาดับก็เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนดับออกไปนั้นน้ำเราไปดับไฟละเนี่ยดินน้ำดวงไฟก็ทํางานร่วมกันให้ดูอันนี้แต่นี่เราไปดินไปพิจารณาดิ น, น, <c oughs> ดนเป็นกรสินเข่งดินเป็นกระสินคนละเรื่องเลยแต่ความจริงดินน้ำดวงไฟทํางานให้เราเห็นตลอดเวลา <c oughs> แต่เราไม่เค ย, เเคยดูแบบนี้พระเขาไม่ได้บอกเราข้าไปอยู่ที่ไหนหมดก็ไม่รู้<ม>นะฮะเออก็แปลก ไม่เคยได้ยินเพราะฉะนั้นไ อ, อ้เรื่องเนี่ยดินน้ำโดงไฟเรียกว่าท่าสี่ใช่ไหมแล้วต่อไปดูว่าในท่าสี่นี่มีอะไรมีอาการสามสิบสองผมขนเล็บฟันหนังกระดูกตับไตไส้พุงรวมไปแล้วสามสิบสองแล้วในอาการสามสิบสองนี้มัน อยู่เฉยๆได้ไหมไ ม, ไมันต้องทํางานตลอเวลาตามกฎของอะไรใจรักเมื่อทํางานแล้วมันก็จะต้องเอามีของเสียใช่ไหมของเสียนั่นเองเรียกว่าสุภากินแล้วก็ต้องไปถ่ายเวลาสตาร์ทรถก็ไอเสียไปไงดําปิดเลย <c oughs> อันนี้เมันกฎของธรรมชาติหมดเลยใช่ไหม <c oughs> การทํางานของธาตุสีในรถมีไม้มธาตุสีดินน้ำมันไฟมีไห ม, มในรถไม่มีธาตุสี <c oughs> ก็ทํางานไม่ได้เหยืบปึ่งที ขวัญดำปิดออกข้างหลังนั่นน่ะเรากินไปสักพักเอาวิเข้าห้องน้ําแล้วดื่มไปสักพักเข้าห้องน้ำนั่นเรียกว่าอสุภะเพราะฉะนั้นอสุภะในวิปัสนาไม่ต้องไปพิจารณาศพไม่ต้องไปดูศพเน่าไปต้องไปเดินไปดูกระดูกโรงพยาบาลไม่ไปดูตับไตไส้พุงอันนั้นน่ะอสุภะของพรามณ์เป็นอสุภะของพุทธเสมอเลอสุภะของพุทธเรากินเราถ่ายออกทุกวันเนี่ยมือเปื้อนหน่อยก็ถึงรีบไปล้างแล้วใช่ไหมน้าลายกินหน่อยฟักซอกก็ไปแปรงฟันนะอสุภะตลอด ตื่นขึ้นมาไม่ล้างหน้าไปไงหน้าบุญหน้าเบลอสุภาหหเห็นแล้ ว, วใช่ไหมเนีอนสุภาตัวนี้มันใกล้ตัวเราที่สุ ด, ดแล้วเรื่องอะไรเสียเวลาไปพิจารณาศพซากศพใช่ไหม<ใ>น<ๆ>ั่นคือเรื่องเป็นสมถะของพรามแต่เราใครจะมาพอความจริงขนาดนั้นนะเดี๋ยวภาคคนไหนไปพูดความจริงนี่ก็ได้เรื่องอีกแล้ท่านนี่กลา่าวถูกคาสอนพุทธเจ้าไปนู่นเลยนี่คือความจริงเพราะฉะนั้นดูกายเอาทุบทวนดูกายดูกียง อีกทีนหนึง่งดูลมหายใจยเข้าออกอย่าลืมดิสองดูอิรียบทสยืนเดินนั่ ง, งนอนสามดูอิรียบทย่อยราบตาอาปากเค ล, ลกกเื่อนไหวเลี้ยวซ้ายไหลขวากุ้มเงยเพราะฉะนั้นามาเป็นคนวหวนะเพราะฉะนั้นไปช้าไม่เป็นคนตามทันก็ทันตามไม่ทันก็ห้านะดูสี่อาการสา 5. พิสองห้าดู เออไม่ใช่สี่ดูท่าสี่ดิห้าดูอาการสามสิบสองหดูอสุภะเพราะนั้นดูในกายท่านให้ดูหกอย่างนี้ไม่ต้องจำดูไปเลยหมายความว่านึกอันไหนได้ก็ให้ดูอันนั้นเลยตอนนี้นึกถึงลมหายใจเขาออกได้ก็ดูโอ้รู้สึกว่าหาววอดวอดนี่ดูอะไรในแทนเวลาหาวเนี่ยเป็นท่าอะไรท่าลมไม่ใช่อ่าตามดูมท่าลมใช่ไหหาวเนี่ย เคลื่อนไหวป่าเคลื่อนไหวหน้าเป็นเรืยบทใหญ่เรือบทย่อยย่อยดูกันไหมว่ามัญหาอาการเริ่มตรงไหนนี่เราขาดอะไรขาดสติเพราะนั้นเราจึงทําตัวรู้ให้มากที่สุดว่าไงพวกเยตามดูสิ่งเหล่านี้และสิ่งเหล่านี้ถ้าสติสัมผัสไม่เข้มพอเนี่ยมันรู้ไม่ทันใช่ไห ม, มดูอุนไปเกินไปเพราะฉะนั้นเราจึงทำเยอะมากไงแต่ทําไมเราทักขี่เกยทำเพราะขาดอะไรขาดศรัทธาและปัญญา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 ไม่แท้ไม่แท้หมายความว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเกิดขึ้นหายไปกินอร่อยกินอาหารอร่อยสุขไหมสุขสักพักก็อิ่มแล้วอร่อยไหมเน่เราต้องการแค่นั้น <Okay. S 1> เวลาไปฟังดนตรีเพราะเพราะขณาดฟังนี่เพราะแต่เลิกฟังแล้วเป็นไงหายไปหายไปแล้ ว, ลว <Okay. S 1> มันมีความสุขอยู่แค่นั้น <Okay. S 1> แต่เราก็หาเงินทั้งชีวิตเพื่อไปแลกเอาความสุขชั่วคราวอย่างนี้แค่แว้แบๆ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 ลมหายใจเข้ า, าออก <_ d> um> แต่ลมหายใจเข้าออกที่ไม่ใช่ไปนั่งดูว่าเข้าคุดโทรออกหายใจเข้าออยุบเนาหายใจอไม่ใช่ไปดูอย่างนั้นนะเราหายใจแล้วแต่เวลาเพียงแต่เป็นสติตามดูเท่านั้นเองยาวสั้นใช่ไหมหายใจยาวรยู้สึกเป็นไงผ่อนคลายสบาย <_ d> um> หายใจสั้นสรู้สึกเป็นไงเหนื่อย <_ d> um> เห็นไหมก็ให้รู้แค่นี้แต่รู้สึกเหนื่อยเมื่อล้าแสดงว่าหายใจเป็นไงสั้นแล้วแต่รู้สึกเฟรซมีพลังแสดงว่าหายใจยาวแต่ทําไมคนจึง ไม่ชอบที่หายใจยาวเพราะอะไรเพราะไม่ได้ฝึกอาณาปัณสติฝึกอาณาปัณสติไม่ต้องไปนั่งขดขอเงอะคู่ตามดูหาใจไม่ต้องคุณจะหายใจที่ไหนก็ได้ตรงนี้ก็ได้ก็หายใจเข้าไปดีใช่ไหมไม่ต้องไปนั่งให้มันปวดเนื้อปวดตัวเลยหายใจได้บ่อยเแต่ให้มีสติตามรู้หน่อยแต่ถ้าไม่ไม่มีสติตามรู้พอหายใจข้างซอกเข้าก็หยุดแล้วกลับไปหายใจสั้นเหมือนเดิมใช่ไห ม, มแต่ถ้ามีสติตามรู้มันจะหายใจยาวได้ระยะยาว เพราะฉะนั้นอันนี้อันที่หนึ่งก็จะทําให้ร่างกายของเราดีความไม่สบายกายก็เพราะฉะนั้นในสถิประธานสูตรในหมวดกายเนี่ยท่านต้องการให้รักษาความสบายของกายเอาไว้ถึงมีถึงหอย่างเนี่ยหนึ่งบริหารลมหายใจให้ดีสองบริหารอะไรในแทนที่หนึ่งว่าวมิ่งเชี่อันที่สองอะไรในในไทย อันที่สองอะไรอันที่หนึ่งคือดมหายใจอันที่สองดูอะไรดูกาย<อ>นั่นเห็นไหมจาไม่ได้นขณะคนหนุ่มนะแต่เยาะแต่คนแก่และคนหนุม่ม<อ>เพราะขาดอะไรถึงไม่จำไม่ได้เพราะขาดสติในการฟังการฟังเลยจไม่ได้อันนี้ของจริงเิดเฉพาะหน้านะไม่ใช่ว่าเราจะนั่นนะอันที่หนึ่งดูรวมอันที่สองดูอิริบทะ อันทีสี 4, ยืนเดินนั่งนอนอันที่สามดูบดย่อยภาคตา้าปากหายใจขึ้นไหวเหลีวไส้ไรขวอคุ้มเงินหยิบหยับจับเฉยใช่ไหมอันที่สมอันที่สี่ดูธาตสี่ดินนำ้ำดวงไฟก làm, ำลังทํางานอยู่ตรงนี้แล้วนั่งได้เพราะธาตุดินเราื่อนไหวได้เพราะธาตุลมเรานั่งแล้วนหนักเบาต้องดิ้นอยู่เลยนี่เพราะธาตุไฟไแล้วก็ทําให้มันเบาลงให้มันสบายขึ้นเพราะธาตุน้ํา ทำสัมผัสตลอดเวลาแต่เราได้เห็นมันไหมได้เลือกลึกๆรู้มันบ้างไหมในอาการเหล่านี้ไม่เลือกลึกๆรู้เพราะเราขาดการฝึกฝนใช่ไหมพอพาฝึกฝนทีก็ไม่อยากทําเพราะอะไรเพราะปัญญายังไม่เกิดก็ต้องปล่อยให้โง่ไปก่อนอันที่สามนะญีอปุ่นยุ่ยใช่ไยมอันที่สี่อะไรสท่า อันทสีอัที่ห้าอาการสามสิบสองอันที่หกอชุภะจะไม่ขึ้นใจ <6 S 1> แล้วเราลึกได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นก่อนแล้วแต่เวลาพระพทุทธเจ้านั่งเราจะเห็นภาพภาพอะไรนะที่เป็นวงกลมรอบศรีรษะของทนะ่าลัษมีลมัศมีแล้วเรียกว่าอะไรฉับพันณรังสีใช่ไหมฉับพันธรังสีงสงสทําไมชื่องนั้นฉับไปพุทธกัฉะไปพวกหก วันแปลว่าสีพันรังสีแปลว่าสว่างวันณะแปลว่าสีแสงชาวพนะงรังสีแปลว่าแสงสว่างที่ครอบพระเศียรอยู่ได้แก่6ประการคือหอันนี้เองชาพนะงรังสีคืออาการทั้งหของกายนั่นเองเห็นไหมเพราะน้นเขาถามว่าทาไมชาพนัรังสีมีกี่สีเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเออหลายสีแต่คำจื่อเขาบอกฉับคือเฉลชิงแปลว่าฉับแปลงหกเฉลียวแปลงหก ชาพนังสีก็มาจากหตัวนี่เองถ้าเราเป็นชาวพูดเขาถามเาต็ตอบไม่ได้เป็นไง <don> เป็นชาวพูดเทียม <don> ไม่ใช่ชาวพูดแท้ <laughs> ได้คำตอบแล้ว <laughs> ใช่ไหม <laughs> เป็นชาวพูดเทียม <laughs> เพราะฉะนั้นในจุดนี้อยากจะให้เราไปทบทวนเพื่อจะเฝ้าดูทุกยะทุกอย่างมีความหมายในจุดนั้นนะเอามาดูอีกทีนะกาเยกายานุปัสสีวิหรพิจารณาเห็นกายในกายเห็นทั้งหอย่างนี้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 แต่ไม่ใช่ว่าดูว่าเออผมไปอย่างนี้เล็บไปอย่างนี้หนังไว้ไม่ใช่ไปพิจารณาอย่างนั้นนะนี่ผิดมาตลอดเลไม่ใช่ผิดแต่ว่าทายังไม่ถูกเท่านั้นเองไม่ถูกไม่ได้ยินมาอย่างนั้นพิจารณาไมฟังอย่างนั้นจาราผมก็ะอาจารย์พรมขาวก็มีขให้ให้ยมเรียนอะไรทังอย่างนะคะเช่นตอที่ยมพันธ์มาเนี่ยเวลาที่เขาบอกว่าให้ไปคุยธรรมะกับพระอาจารย์เนี่ย โยมก็คุยอะไรเพราะว่าไม่นึกจะถามอะไรแล้วเวลาที่พระอาจารย์อธิบายโยมก็รับไม่ค่อยได้คือหมายถึงว่าฟังแล้วมันไม่ค่อยเข้าใจอะคะ่ะพระอาจารย์แล้วก็อ น, นิยมก็ยังเพิ่งคุยกับโยมเล็กเมื่อวานนี้ตอนที่ขับรถกลับไปบอกว่ายอยมรู้สึกดีใจที่โยมได้เข้ามาโยมมีความรู้สึกว่าไอ้ที่โยม <laughs> ไม่ค่อยเข้าใจมาตลอดเนี่ยมันเข้าใจคือที่เขาบอกให้พิจารณาเนี่ยโยมก็ไม่รู้จะพิจารณาอะไรก็อย่างที่พี่วิไลบอกอะ ให้ดูพิจารณาผมคนเล็บฟันนะมก็ของขาวให้ดูอัศวะโยมก็เลไม่ออกก็เป็นนึกถึงสร้างโศกไปไปมองถึงสร้างโศกมันอะไรนั่นก็ถือว่ามีบารมีได้สั่งสมไว้แล้วถ้าไม่มีวันนั้นก็จะไม่มีวันนี้นั่นเพราะฉะนั้นคนบุญจริงก็มีอยู่แค่นี้แหละในเซียโก้นะเพราะอะไรเพราะเราได้สั่งสมสิ่งนั้นมาก่อนนะโยม ไม่ได้ยินเลยคือได้ยินเลมครับได้ยินตามรูทีนนะเอาเรามาดูตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปตรงนั้นเดี๋ยวมันจะไม่จบเวลาไม่มีเวลาไม่พอเราพูดถึงว่าดูกายเราเมื่อกี้เราพูดถึงข้อเรื่องอะไรจะดูสองเรื่องือกายกับเวทนาใช่ไหมทีนี้เรื่องเรื่องกายจบไว้แค่นี้ก่อนพอจําได้แล้วที่มาดูเวทนาว่าตัวเวทนามีสามอย่างที่ว่าเมื่อกี้คือความสบายไม่สบายเฉย ความไม่ความสบายกายมันก็จะพัฒนาเป็นความพอใจเรียกอภิชาเห็นไหมถ้าความพอใจความสบายเกิดขึ้นเราไปแช่มันเราไปติดมันตรงนี้ก็จะกลายเป็นนันทิเรียกว่าเพลิน<า>นันทิแปลว่าเพลิน<ๆ>เคยได้ยินคาว่านันทนาการไหม<ๆ>นันทิแปลว่าเพลินเ<ๆ>ชน่นเรานอนหลับสบายแล้วก็เพลินไม่อยากจะลุกแยกเป็นนันทิเพราะนันทิตัวนี้พัฒนาแรงขึ้นไปเราไปตอบสนองบ่อย ๆ, ๆ, ๆกลายเป็นราคะ นันที่ราคะนะศัพทเขาเ า, านะคือความพอใจลึกเข้าไปนันที่ราคะตรงนี้เราไปยึดติดไม่มีสติเองนะไปยึดติดแล้วไม่มีสตินันที่ราคะพัฒนามาเป็นกามราคะคือพอใจมากขึ้นกามราคะพอสบายแล้วมันมีพลังกระตุ้นให้เกิดกามราคะคือเกิดความกำหนัดใช่ไหมเพราเขาาเนะ ก, ก, ก็เป็นกามฉันทะมาเป็นตัวนิวรณ์ มันก็พัฒนาไปความติดสบายนี่เองแต่พอเรามีสติรู้ความสบายกายตั้งแต่แรกเราไม่ไปติดสบายมันรู้สึกสบายกับลูกหนีซะเยนี่แสดงว่าเรามีสติมันก็จะไม่พัฒนากําลังให้เป็นความกําหนัดกรรมวิชนทะซึ่งเป็นกิเลสที่ตัวที่เราชนะมันยากมากในโูกของความเป็นจริงใช่ไหมเพราะมันพัฒนาเพราะคนส่วนใหญ่ไปติดสบายไงแต่เราไม่รู้เหตุมันเวลากินอาหารเราอยากกินเยอะๆเพราะมันอร่อยมันก็พัฒนาไปเป็นตัวลาคะเป็นกลัวกรรมฉันทะก็ไปเกิดความกําหนัดอีก พอไปฟังเพลงเพลเพราะเราก็ไม่ยึดติดเพลงเพลเพราะมีพัฒนาเพลงสารพัดอย่างไม่พอใจความพอใจมีกําลังมากกับพัฒนาเป็นราคะตามมาเฉันท้าอีกเรากินอาหารอร่อยไปได้กินหอมๆไปสัมผัสนิ่มนวนลเราไปพอใจอุ่นนะไปติดความอุ่นพอไปเจอความเย็นความร้อนหน่อยหดหนีไม่เอาเพราะเราเป็นยึดติดมันใช่ไหมคนก็เลยขี้เกียจคนอะไรเพราะไปยึดติดความสบาย แต่ชีวิตจริงมันมันจะมีสลับกันทั้งสบายไม่สบายใช่ไหมเพราะพูดไปเมื่อวานนะร้อนเย็นสบายไม่สบายเป็นความสมดุลใช่ไหมแต่ถ้าไปยึดติดทางด้านฝ่ายสบายก็เป็นสุดตรงไปทั้นทางขวาเรียก ว, ว่ากามัสุขอะไรกามัสุขขในการยกถ้าไม่สบายเราไปยึดติดความไม่สบายเช่นคนบางคนชอบทรมานชอบ พ, พวกสาดิสใช่ไหมต้องได้รุนแรงใส่กันก่อนประเภทยึดติด พวกซาดิษพวกติดยายทั้งหลายซาดิษเขปยึ ด, ยดติดท่านก็ชุดรงทั้งสองข้างแต่ถ้าเอาสองอย่างนี่นะความสบายมาสบายมาสมดุลกันพอดี mm hmm. เกิดมัชชิมาปฏิปทา mm hmm. เช่นเวลาเราไปหุงข้าวตุ้มแกงต้องใช้ความร้อนใช่ไหม mm hmm. แต่ว่าร้อนๆจา ก, กินได้ไหม mm hmm. ก็ต้องปล่อยให้เย็นถ้าเย็นมากเกินไปเอาไปกินได้ไหม mm hmm. ก็ไม่ปวด mm hmm. แต่ถ้าอุ่นๆสดๆนั่นคือมัชชิมาปฏิปทา เพราะ่ในกฎของความเป็นจริงในชีวิตประจำวันมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเรายังไม่เกิดการแอปพลายทางปัญญาไงในควันเรานั่งอเงี้ยไม่สบายใช่ไหมพอเราเปลี่ยนไปมันสบายความไม่สบายเป็นความร้อนหรือความเย็นความร้อนพอผ่อนคายไปความเย็นใช่ไหมร้อนกับเย็นทํางานตลอดเวลาแต่เราไม่กดเข้าใจกฎความจริงอันนี้มันก็เลยไปยึดร้อนมาฉันไม่สู้ปวดมาฉันไม่สู้แต่ฉันจะไปวิ่งเอาความแต่ ผดคลายสบายแล้วก็ไปยึดติดความสบายพอไปยึดติดความสบายปั๊บมัดก็กลายเป็นกรมวิชนท่กรมวิชนท่าก็มาลุกรานเราใช่ไหมพอมาลุกรานเราพอไปเจออะไรที่มันถูกใจหน่อยเกิดการมฉันท่แล้วเกิดความชอบความอยากแรงไปก็ร่างกายกรรมวิชนกายมาเป็นตันหาพัฒนาไปแล้วใช่ไหม ตันหากูต้องเอามาให้ได้นะรถคนนี้กูมัดต้องเอามาให้ได้นะผู้ชายคนนี้กูต้องเอาผู้หญิงคนนี้ให้ได้นะกูต้องเอาอาหารชนิดนีให้ได้นะกูต้องเอาเงินจํานวนนี้ให้ได้นะไขคว้าเลยใช่ไหมจงสวัสดิธรรมตลอดชีวิตยังไม่รู้ว่า looking f o r w a ก็เพราะว่าเกิดกําลังของตันหามันดุนเราแล้ ว, ลวสาเหตุเพียงนิดเดียวอ่ะเพียงเราไปติดสุขเวทนาเท่านั้นแต่เราไม่มีสติปัญญา ต, ตามรู้มันเลยพัฒนามาเป็นตามเราดับเป็น สุขเวทนาก็มาเป็นอภิชาก็มาเป็นนันทิมาเป็นลาคะเป็นกามะฉันทะเป็นกามะลาคะแล้วมาเป็นตัณหาจนมาถึงฝ่งนี้เราก็ยังไม่มีสิ่งใตามร่วมกันพัฒนาเป็นรากเลยถ้าเป็นรากต้นไม้ก็ลึกลงไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วตัณหามาแบ่งเป็นสามอีกนะเป็นอะไรบ้างในไทยตัณหามีเท่าไหร่ตัณหามีกี่อย่างกามะตัณหาพวะตัณหามีเพอตัณหา สอย่างใช่ไหมกามตั้งาใหม่เขาว่าเราอยากอยู่ในใจเพราะว่าตั้หคำถามใหมว่าไปหามาให้ได้หามาแล้วมันอยู่ได้นานไหมโอ้รุ่นใหม่ออกมารุ่นนี้เบื่อแลยอย่าไปหารุ่นใหม่รถคันนี้มันตกรุ่นแล้วโทรศัพท์นี้ตกรุ่นแล้วก็อยากไปหาโทรศัพท์ใหม่ว่าอาหารเมื่อวานเมนูเดิมไม่วันนี้ไม่อยากจะซ้ำเราไปหาอาหารใหม่ดีเขาเรียกวิภาวะตั้หาคือไม่ชอบอันนี้ไปเปลี่ยนเป็นอันนี้การมาตั้งหาเรื่องพุดต้นใหม่อีก เห็มอันนี้คือตัวด่านหาเบื่อเบือยากอยากเลยเบ่อเบื่ออยากอยาเบื่อเป็นภพาะว่าด่านหาอยากเป็นการมว่าดหาควายคว้าห้สิ่งตามเบื่อตามอยากเป็นวิ่งราว่าดาหานี่เพียงนิดเดียวนะคือความพอใจหรือความสบายที่เราไปยึดติดที่เราไม่ได้ตามรู้มันพัฒนาความรุนแรงไม่ถึงขนาดนั้นแล้วคนก็ได้ฆ่าได้แกงได้ทํำลายได้สร้างสงครามได้ฆ่าฟันรันแทงกันเพราะดวลหาจะตัาหาใช่ไหมแย่งผลประโยชน์ใช่ไหมเพื่ออามาตอบสนองอะไร ความอยากเท่านั้นแล้วก็ก่อนไปสงครามทำลายล้างแล้วก็ให้เกิดในทุนก็ให้เกิดคอามมณิษฐ์ก็ให้เกิดเสรีนิยมก็ให้เกิดอะไรต่างๆไปก็พราะตัวตัญหาเพราะทุกคนไปยึดเอาความสุขว่าเป็นอะไรเป็นตัวตนแต่คนสุขมีตัวตนไห ม, ไ ม, มแต่มันคือมายาของการเกิดดับมายาของข่าวสมดุลร้อนเย็น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 ไม่เจอนอกจากไม่เจอแล้วก็ชีวิตก็อานาถด้วยนะฮะดังนั้นเรามาเจริญสติเพื่ออันนี้เพื่อมาเข้าใจจุดนี้เท่านั้นเราจะไปตามดูการเกิดดับของจิตที่เป็นปรมัาทมันยากแต่เรามาดูในส่วนที่เป็นสมมุติมันง่ายเช่นในขณะนี้นั่งนัเกิดอะไรขึ้นเมื่อเกิดอะไรใช่ไหมอ่าพอเราขยับปับ๊บเมื่อยหายไปความเมื่อยก็เป็นไง ด, ดับ ใช่ไหม<ช><ช>พอไปสักพักหนึ่งมันก็เกิดขึ้นมาใหม่เ<ช><ช>พราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นกฎของอะไรอนที่จังทุกขังหน้าตาหมุนไปตามนั้นใช่ไหมแต่เราไม่เคยเรียนรู้มันมันก็เลยต้องไปสําคัญมันหมายมันผิดดังนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้เราก็เริ่มศึกษาแกหน่อยไม่เป็นไรไม่สาย <laughs> สา ย, <laughs> สาย <laughs> แต่ถ้าเรายังหนุ่งสาวๆอย่างมานั่งอย่างนี้ฟังอย่างนี้ก็ไม่เอาใช่ไหมเพราะอะไรเพราะ ไ ม, ไ, ไม่ใช่ไม่ใช่ถึงวัยศ <c oughs> รัทธา <c oughs> และปัญญายังไม่พอต้องไปตรงนั้นสมัยก่อนเน่เด็กแค่อายุ7ขวบเก้าขวบบรรลุธรรมเยอะแยะไปสมมเนรสขีตัสสัมเนรอธิมุตตะสัมเนรสสามะสมเนรสังขิจสัมเนรพวกเนี้ยอายุ8ขวบเก้าขวบบรรลนะุเป็นพระราหันน่ะเอออย่าไปว่านุ่มเกินไปสาวกนไม่มีหนุ่มไม่มีสาวขึ้นว่าศรัทธาและปัญญาเขาคอย่างบ้านเขาว่ามีาไวัดนหอกขอให้คนแก่ไปเห็นไ แม่เขาแก่มาหมดสภาพก็ต้องมาไว้วัดเขาขี้เกียจดูแลเผือว่าไปวัดพระจะได้ดูแลแทนมัางแล้วนั่นเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะคนแก่บรรลุธรรก็เยอะแยะนะ <S <S สมัยนั้นมีพามคนหนึ่งชื่อลาทล้าพามอายุมากแลยนะเพราะสมัยนั้นคนอายุเกินหกสิบผู้ที่เจ้าไม่บวชให้ไงไปขอบวชแต่ว่าลาทล้าพามนี่ตอนเป็นชาวบ้านแบบโยมสวัสดิ์เนี่ยเวลาพระผ่านหน้าบ้านก็ใส่บาททุกวันทุวันใช่ไหม ทีนี้สายนั้นอ่ะท่านภาษาริบุตรเดินบ่อยก็ได้ใส่บัตรภาษาริบุตรทัพพีอ่าเท่ออะไรอ่าหนึ่งทัพีแค่นั้นเองใช่ไหม <S <S ทีนี้พอไปขอเลื่อมใสยอยากจะบวชไปขอบทพผู้ทีเจ้าผู้ที่เจ้าบอกหกสิบแล้วยังไม่บวชผู้ที่เจ้าถามในที่ประชุมโสมว่าใครบ้างที่ได้รับอันนี้สงการให้บุญให้ทานกับพามคนนี้บ้างภาษาลิบุตรยกเมืองข้าพระเจ้าได้รับ เพราะว่าพามนี้ใส่บาททุกวันเออถ้างั้นเธอเอาไปฝึกให้หน่อยก็แล้วกันถ้าฝึกดีแล้วค่อยมาบวชโอ้โหพามคนนี้ดีใจก็เลยภาษาริบุตรเอาไปฝึกโอ้กลายเป็นคน อ, อน่อนน้อมถ่อมตนนะไม่ถือว่าภาษาลิบุตรเนี่ยเป็นรุ่นลูกลุ่นหลานก็ฝึกอย่างนี้ไม่นานภาษาริบุตรก็พามพระพุทธเจ้าโอ้พามคนนี้ใช้ได้เป็นคน อ, อน่อนน้อมถ่อมตนว่านอนสอนง่ายไม่มีมารณทิฏฐิในฐานะเป็นคนแก่ กับเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนเด็กๆเพราะนั้นฝึกได้เลยไม่นานปรากฏว่าพามันเริ่มรู้ธรรมเพราะฉะนั้นจะไปดูถูกคนแก่ไม่ได้คนแก่ก็มีแชนน้นั่นแหละแต่ว่าจะอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นหรือเปล่ากนนั้นนะไม่ใช่พอลูกหลานพูดผิดหูหน่อยกึ้งขึ้นมาเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะเอเอขึ้นมาเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยไม่เลือกหนุ่มไม่เลือกแก่นะไม่มีอายุไม่มีอายุ แต่ขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขว่ามีสถานและปัญญาพอไหมไม่พอเนี่ยไม่พ อ, พอนะญญแต <c oughs> ่แต่สมัยคร <c oughs> ั้งพุทธกาลเนี่ยท่าน <c oughs> ท่านพยายามที่จะเอาคนหนุ่มคนสาวเพราะอะไรคนหนุ่มคนสาวมีสติสมญะสมบูรณ์มีกําลังความอดทนสูงแล้วมีที่ถิมานะน้อยเพราะว่ายังไม่ได้ผ่านอะไรมากที่ม <c oughs> <c oughs> ันการสังสมอัตราตัว ต, วตวนยึดมั่นถือมันยังไม่ค่อยมีที่ถิมานะไม่ค่อยสูง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 ก็อยากจะนอนมากขึ้นไปกินนึงอยากจะกินมากขึ้นไปเพิ่มจํานวนเพราะมันเพลินคือ น, นันทิแล้วกําลังของความอยากก็เพิ่มขึ้นเป็นการที่ราคะเป็นกามฉันทะฝักใฝ่นในการที่จะความอยากที่มากขึ้นไปแล้วเป็นกามะตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญห า, ญหาที่นี่จากตัญหาหลุดจากตัญหายังไม่มีสถิตตามรู้อีกเป็นอะไรเป็นโลภะที่ความโลภอ่ะเข้าใจไหม อยากจะได้จํานวนเยอะๆที่พูดมาเมื่อวานน่ะนกมันไปกินผลไม้ทั้งต้นเนี่ยกลับบ้านมันไม่เคยหิวไปสักผลนะแต่คนไปเจอเนี่ยเอาหมดเลยท่านที่ได้กินไปอิ่ไม่กี่ผลนะจ๊ะไหมแต่นกมันกินแล้วก็บินหนีแต่คนกินแล้วเออเอามาหมดเลยมาขายต่อเพื่ออะไรเพื่อไปแสวงค้ากรรมในส่วนอื่นเพื่อจะไปซื้อรถไปซื้อบ้านไปไปซื้อลูกซื้อเมียซื้อพผัว่าไปซื้อทรัพย์สมบัติมาไว้เห็นไหม เพราะคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะให้ความสุขแก่ตัวเองเลยไปคอลเลกต์เอามาไว้อันนี้คือสาเหตุของเข า, าตัดหาโลภะใช่มพัฒนาตัดหาพัฒนาเป็นโลภะและโลภะนี้ก็ยังไม่มีสติกําหนดรู้อีกเพราะได้มาก็เสียไปก็เสียใจใช่ไหมวันนี้หาได้มาหนึ่ง0สนพรุ่งนี้เสียไปสองแสนอย่างเงี้ยช็อกก็ทุกข์นะแต่ว่ายังไม่เข็ด ก็เสยหาต่อไปอีกก็กลายเป็นลาภานุใสมีความอยากเป็นนิสัยพัฒนาไปเป็นลาภะความอยากเป็นนิสัยอยากนุ่นอยากนี่นยาไปเรื่อยเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่มีว่ามันจะผิดกฎหมายศีลธรรมขอให้ฉันได้ก็แล้วกันลทัทธิวัตถุนิยมก็เกิดขึ้นแล้วต่างคนต่างได้ความอยากของคนนี่มีขอบเขตไหมไม่ ม, มีแต่ว่าวัตถุในโลกมีขอบเขตใช่ไหมมีจํากัดใช่ไห ม, ม ต้นไมแต่จะขึ้นมาได้ให้ตัดแล้วแต่ละต้นใช้เวลา10ปียี่สิปีแต่คนใช้เวลาตัดกินนาทีใช่ไหมใช้เลื่อยก็ไปถึง5นาทีแต่ว่ามันใช้เวลาเติบโตเป็นหลาย10ปีมันจํากัดเมื่อจํากัดแล้วมื่เกิดการอะไรแย่ ง, ยงชิงคือ ก, การแย่งชิงแล้วคือการขัดแ ย, ย้งคือ ก, การสู้รบเกิดสงครามเพราะตัวติดสบายนิดเดียวมันไปถึงขนาดนั้นเลย แล้วพัฒนาไปเป็นตัวอะไรต่อกามุปาทานอุปทานไปกามอุปท า, านมองอะไรก็อยากจะได้หมดทิศว่านั้นเป็นของเราสมนุนธ์อ่ะอันนี้ของธรรมานะถ้ายมคว้าไปดื่มอย่างเงี้ยแล้ไปยินให้ธรรมาต่อเป็นเรื่องแล้วใช่ไหมปีแก้วของโยมตั้งอยู่เนี่ยอามาคว้ามาดืม่มเป็นเรื่องแล้วใช่ไหมเพราะเรามีอุปท า, านนะว่าอันนี้เป็นของเรา เลยเลือว่าพ่อใหญ่สวัสดีลุกขึ้นเดินไปไยนไปนเตะน้ํากระจายเลย oh, <no. S 1> ของน้องหมดเลยไหวเลยเใช่ไหมการบูประทานใช่ไหมเออโอ้วันนี้ขึ้นไกลกลับไปที่นอนเพราะว่าของหายเป็นเรื่องเลยใช่ไหมใครมาคุนเป็นเรื่องเป็นราวรืมองหมดเลยสซตีเรื่องหมดเลยเซตีแตกหมดเลย <c oughs> การบูประทาน <c oughs> ว่านี่คือของเรา <c oughs> เพราะฉะนั้นมันก็จะเพิ่มความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆกลับไปบ้านไปเจอลูก ลูกไม่อยู่ลูกไปไหนลูกหนีจากบ้านเอามันไปไหนไม่รู้เห็นไปกับคนหนุ่มไอ้หนุ่มเมื่อกี้เป็นเรื่องอะไรยมอุ้ยขึ้นเลยดีนี้ <c oughs> สติแตกไอ้สติแตกกรรมอุทานกล่าไปห้อง อ, อปุปโภคกล้องไม่มีกล้องวางนี้หายไปไหนหาวุ่นเลยทีนี้สติแตกอีกกรรมอุปทานที่มันมีความรุนแรงแต่มันสังสมมาจากอะไรความติดยึ ด, ด, ด, ดความสบายเพียงเล็กน้อยแต่ไม่มีสติตามรู้ท่านบอกว่า หัวไม่ขีดแม่แต่นิดเดียวมันสามารถเผาตึกได้ความติดสุขแม้แต่นิดเดียวมันสามารถที่ทำลายล้างพบชาติให้เกิดพบชาติที่ดีๆเป็นพบชาติที่เสียได้จากการมุปทานไปเป็นกามาสวะเป็นละเอียดที่สุดเลยใช่ไหมพัฒนาปื้นเดี๋ยวลากนึกเป็นละเอียดกิเลสอย่างหยาบก็คือตัวโทตัวตัณหาใช่พัฒนากิเลสอย่างกลาง ก็กลายมาเป็นตัวโลภะเออไม่ใช่กิเลสอย่างคือโลภะกิเลสอย่างกลางคือตัณหาและกิเลสอยา่อยางละเอียดคืออสวะ mm. จากการติดน้อยๆเนี่ยนั้นไฟที่ติดหัวไม่ขีดเพียงน้อยๆสามารถทำลายบ้านเมืองได้ชั้นใดความรู้สึกสบายเพียงน้อยๆที่เราไปยึดติดมันสามารถเป็นไฟแห่งราคะตัณหาเผาผลาญไปตลอดภพชาติยืนว่าแต่เกิด่อบี พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเห็นอันตรายตรงเนี้ท่านเลยกลัวที่จะไปยึดติดความสู่ความทุกข์พยายามปกกินมาเป็นการเสมอเวลาสบายก็โอวันไหนกินอาหารไม่อร่อยนี่รู้สึกไม่เป็นเรื่องเลยนะว่าวันนี้กินอาหารไม่อิ่มไม่เป็นเรื่องเพราะเราไปยึดติดแล้วมันก็จะกลายเป็นเชื้อไฟแห่งโรคกดหลงเผาเราไปเรื่อยๆนี่คือการพิจารณาถึงเวทนาเพื่อให้รู้เรื่องอที่สองนะ เพราะนั้นในเรื่องจิตและเรื่องอารมณ์ลึกกว่านี้อีกวันนั้นเอาเรื่องนี้ไปทําเรื่องกายกับเรื่องเวทนานะสองเรื่องเนี่ยแต่ถ้าเวทนามันลึกไปหันมาดูกายก่อนดูกายดูให้ทั้งหอย่างใช่ไหมจําได้อยู่ไหมหกอย่างเมื่อกี้มีอะไรบ้างวันมีอะไรบ้างเดี๋ยวอย่าเพิ่งดิถามถามเด็กก่อนทดณสองความจำของเด็กเๆอาจจะจำได้ดีกว่าเรามีอะไรบ้าง เออมิคี่พูดไปทั้งเยอะว่าถามว่าเกี่ยวกับอะไรอเกี่ยวกับกาย ก, กา ย, กกายมียังห้อ <c> ย <oughs> <c oughs> ่าเรว่ามิีห้าอย่าง<ฮ>อย่างหกอย่างมีอะไรบ้าง น, นี่คนหนุ่มนะ <c oughs> ต้องจาให้ได้ชเดียว <c oughs> สติปัญญากันแหละมคมทชเดียวหละหกอย่างมีอะไร อย่ไปโ ย, ม, ยมสวัสดนะยมสวัสดแก่กว่าเธอและรุ่นไหนก็ไม่รู้ น, นะถ้ายมสวัสด ต, ตอบเป๊ะๆขึ้นก็ได้เดินเทเร็จเลยนะเอ า, าไปเมื่อหลวงพ่อถามในในวันก่อนนะวันตอบไม่ได้ถึงจะเป็นเธอว่าใครใครจะสอบได้สอบจบก็วันนี้แหนนละมีอะไรบ้าง <S <S โอ้มันหมดเวลาแล้วนี่นอนโอเคฝากไว้ก่อนหมดเวลาแล้ว